เหตุที่นิวรณหประการอาศัยกลายเป็น10ประการเป็นอย่างไรคือแม้กามาฉันทะในภายในก็เป็นนิวร์แม้กามาฉันทะในภายนอกก็เป็นนิวร์คำว่ากามาฉันทะนิวรณ์เดียบมาสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้กามาฉันทะนิวร น, นั้นจึงเป็นสองประการ แม่พยาบาทในภายในก็เป็นนิวรณ์แม่พยาบาทในภายนอกก็เป็นนิวรณ์คำว่าพยาบาทนิวรณ์ย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้พยาบาทนิวรณนั้นจึงเป็นสองประการแม่ถีนะก็เป็นนิวรณ์แม่มิทะก็เป็นนิวรณ์คำว่าทีนะมิทะนิวรณ์ย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้ทีนะมิทะนิวรณ์นั้นจึงเป็นสองประการ แม่อุทจจะก็เป็นนิวรณ์แม้กุกุจจะก็เป็นนิวรณ์คําว่าอุทจจะกุกุจจะนิวรณ์ย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้อุทจจะกุกุจจะนิวรณ์นั้นจึงเป็นสองประการแม้วิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็นนิวรณ์แม้วิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็นนิวรณ์คําว่าวิจิกิจฉานิวรณ์ย่อมไปสู่อุเทศนี้ แม้ด้วยเหตุนี้วิจิกิจฉานิวรนนั้นจึงเป็นสองประการภิกษุทั้งหลายเหตุนี้แลที่นิวรนห้าประการอาศัยกลายเป็นสิบประการ ที่ผู้ชงเจประการอาศัยกลายเป็น14ประการเป็นอย่างไรคือแม้สติในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็นสติสัมโพชงแม้สติในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็นสติสัมโพชงคําว่าสติสัมโพชงย่อมไปสู่อเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้สติสัมโพชงนั้นจึงเป็นสองประการ แม้ธรรมที่บุคคลเลือกเฟ้นตรวจสอบพินิจพิจารณาในธรรมทั้งหลายในภายในด้วยปัญญาก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชงแม้ธรรมที่บุคคลเลือกเฟ้นตรวจสอบพินิจพิจารณาในธรรมทั้งหลายในภายนอกด้วยปัญญาก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชงคําว่าธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้ธรรมวิจยะสัมโพชงนั้นจึงเป็นสองประการ แม้ความเพียรทางกายก็เป็นวิริยะสัมโพชงแม้ความเพียรทางจิตก็เป็นวิริยะสัมโพชงคำว่าว like ิริยะสัมโพชงย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้วิริยะสัมโพชงนั้นจึงเป็นสองประการแม้ปิติที่มีวิตกวิจารก็เป็นปิติสัมโพชงแม้ปิติที่ไม่มีวิตกวิจาร์ก็เป็นปิติสัมโพชง คำว่าปิติสัมโพชงย่อมมาสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้ปิติสัมโพชงนั้นจึงเป็นสองประการแม้กายปัสสติก็เป็นปัสสติสัมโพชงแม้จิตตปัสสติก็เป็นปัสสติสัมโพชงคำว่าปัสสติสัมโพชงย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้ปัสสธิสัมโพชงนั้นจึงเป็นสองประการ แม้สมาธิที่มีวิตกวิจาร์ก็เป็นสมาธิสัมโพชงแม้สมาธิที่ไม่มีวิตกวิจาร์ก็เป็นสมาธิสัมโพชงคำว่าสมาธิสัมโพชงย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้สมาธิสัมโพชงนั้นจึงเป็นสองประการแม้อุเบขาในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็นอุเบขาสัมโพชง แม่อุเบกขาในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็นอุเบกขาสัมพ่อชงคำว่าอุเบกขาสัมพ่อชงย่อมไปสู่อุเทศนี้แม้ด้วยเหตุนี้อุเบกขาสัมพ่อชงนั้นจึงเป็นสองประการภิกษุทั้งหลายเหตุนี้แลที่โพ่อชงเจ็ประการอาศัยกลายเป็น14ประการปริยายสูตรที่สองจบ 3. อักคิสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยไฟครั้นในเวลาเช้าภิกษุหลายรูปครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยองกรงสาวัตถีความต่อไปเหมือนปริยยสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกอัญะเดรธีปริภาชกมีวาทะอย่างนี้เธอทั้งหลายควรถามอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญโพ่อชงเหล่าไหนาเป็นเวลาเพื่อเจริญโพ่อชงเหล่าไหนาอันหนึ่งสมัยใดจิตฟุงรร้งซ่านสมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญโพ่อชงเหล่าไหนาเป็นเวลาเพื่อเจริญโพ่อชงเหล่าไหนาภิกษุทั้งหลายพวกอัญญะเดรธีปริภาชกถูกถามอย่างนี้แล้ว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 เวนตาคต์หรือสาวกของตถาคตหรือผู้ที่ฟังจากคำสอนของตถาคตนี้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสิสัมโพชงไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชงไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู จิตที่โหดหูนั้นยากที่จะฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะให้ไฟน้อยนิดลุกโผลงจึงใส่หญ้าสดโคไมเปียกไม้สดพรมน้ำและโปรยฝุ่นลงในไฟนั้นเขาสามารถจะให้ไฟน้อยนิดลุกโผลงได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายอุปมาณิฉันใดอุปไมก็ฉันนั้น สมัยใดจิตโหดหูสมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสติสัมโพชงไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชงไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชงข้ อ, อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตโหดหูจิต ท, ที่โหดหูนั้นยากที่จะให้ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้นแต่สมัยใดจิตโหดหูสมัยนั้นเป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชง เป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชงเป็นเวลาเพื่อเจริญปิติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นง่ายที่จะให้ฟื้นขึ้นด้วยทำเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษต้องการให้ไฟน้อยนิดลุกโผงจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเป่าลมและไม่โปรยฝุ่นลงในไฟนั้น เขาสามารถจะให้ไฟน้อยนิดลุกโผลงได้หรือได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอุปมาณิฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นเป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมวิชยะสัมโพชงเป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยสัมโพชงเป็นเวลาเพื่อเจริญปิติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู ที่โหดหูนั้นง่ายที่จะให้ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตฟุง้งซ่านสมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุง้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลาย เปรบเหมือนบุรุษ ต, ต้องการจะดับไฟกองใหญ่จึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเป่าลมและไม่โปรยฝุ่นลงในกองไฟนั้นเขาสามารถจะดับไฟกองใหญ่ได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายอุปมาณิฉันใดอุปไมค้อฉันนั้นสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อจเจริญธรรมวิจยะสมโพชง ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชงไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปิติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้นแต่สมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสธิสัมโพชงเป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชงเป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสั sì tota มโพชง ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นง่ายที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่จึงใส่หญ้าสดโคไมเปียกพรมน้ําและโปรยฝุ่นลงในกองไฟนั้นเขาสามารถจะดับไฟกองใหญ่ได้หรือได้พระพุทธเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายอุปมาในฉันใด อุปมายข้อฉันนั้นสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสติสัมโพชฌงเป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงเป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นง่ายที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้นและเรากล่าวสติว่าจำต้องประสงค์ในที่ทุกสถาน อคิสูตรที่สจบ 4. เมตตาสหคตะสูตรว่าด้วยจิตมีเมตตาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในนิคมของชาวโกริยะชื่อ ฮาลิทวัชนะแควนโกริยะครั้นในเวลาเช้าภิกษุหลายรูปครองอันตรวาสกถือบาดและจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างฮาลิทวัชนะนิคมได้มีความคิดอย่างนี้ว่าการเที่ยวไปบินทบาทในฮาลิทวัชนะนิคมอย่างเช้านักทางที่ดีเราทั้งหลายควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญเชตรีปริภาชก ค, ครั้งนั้นแล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 ในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพยบู์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่แม้แต่เราทั้งหลายก็แสดงทำแกสาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละนิวรห้ประการอันเป็นความเศร้ามองแห่งจิตทอนกาลังปัญญาแล้วมีเมตตาจิตแพไปตลอดทที่หนึ่งละถึง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 เมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ทั้งหลายครองอันตรวาสศกถือบาดและจีวรเข้าไปบินทบาทในฮนาริทวสณนิคมได้มีความคิดอย่างนี้ว่าการเที่ยวไปบินทบาทในฮนาริทวสณนิคมอย่างเช้านกทางที่ดีเราทั้งหลายควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรถีปริภาชกครั้งนั้นแหละข้าพระองค์ทั้งหลายจึงได้เข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธีปริภาชก ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรพวกอัญญะเดรธีปริภาชกเรียกกล่าวกับข้าพระองค์ทั้งหลายดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณะโคโดมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละนิวรห้าประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกําลังปัญญาแล้ว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 กับอนุสาสนีของพวกเราจะผิดแผกแตกต่างกันอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ยินดีไม่คัดค้านพาสิทธิของอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นลูกจากอาสนะจากไปด้วยคิดว่าเราทั้งหลายจะรู้ชัดเนื้อความแห่งพาสิทธิ์นี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาค ตาเจโตวีมุตมีอะไรเป็นคติพระผู้มีพระภาคต ร, รัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกอัญญะตระธีปริภาชกมีวาทะอย่างนี้เธอทั้งหลายควรถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมตาเจโตวีมุตที่บุคคลเจริญแล้วอย่างไรมีอะไรเป็นคติมีอะไรเป็นอย่างยิ่งมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่สุดอันหนึ่ง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 มีอะไรเป็นอย่างยิ่งมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่สุดพวกอัญญะเดรธีปริพาชกถูกถามอย่างนี้แล้วจะไม่สามารถตอบได้จากถึงความลำบากอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพวกอัญญะเดรธีปริพาชกถูกถามในสิ่งอันมิใช่วิสัยภิกษุทั้งหลายในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์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 เมตตาเจโตวิมุตติบุคคลเจริญแล้วอย่างไรมีอะไรเป็นคติมีอะไรเป็นอย่างยิ่งมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่สุดคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงที่สหรคตด้วยเมตตาและถึงเจเจริญอุเบขาสัมโพชฌงที่สหรคตด้วยเมตตาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้องไปในโวส que, ักะหากเธอหวังว่าเราเพิ่งมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นอยู่หากเธอหวังว่าเราเพิ่งมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่หากเธอหวังว่า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 เราพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู่หรือเข้าถึงสุภวิโมกข์อยู่ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเมตตาเจโตวิมุตต์ว่ามีสุภวิโมกข์เป็นอย่างยิ่งสำหรับภิกษุผู้มีปัญญาอันเป็นโลกิยะ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 คือพิสุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชงที่สหรคตด้วยกรุณาละถึง7เจริญอุเบกขาสัมโพชงที่สหรคตด้วยกรุณาอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะหากเธอหวังว่าเราเพิ่งมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่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 อากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานาตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกรุณาเจโตวิมุตติว่ามีอากาศานัญจายตนะฌานเป็นอย่างยิ่งสำหรับภิกษุผู้มีปัญญาอันเป็นโลกิยะยังไม่รู้แจ้งวิมุตติยอดเยี่ยมในธรรมวินัยนี้ ตาเจโตวิมุตติบุคคลเจริญแล้วอย่างไรมีอะไรเป็นคติมีอะไรเป็นอย่างยิ่งมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่สุดคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสติสัมโพชงที่สหรคตด้วยมุทิตาและถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชงที่สหรคตด้วยมุทิตาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ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 ก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู่หรือบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุทั้งหลายเราเกล่าวมุติตาเจโตวิมุตติว่ามีวิญญาณัญจายตนะฌานเป็นอย่างยิ่งสำหรับภิษุผู้มีปัญญาอันเป็นโลกิยะ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 เือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสติสัมโูชงที่สหรคตด้วยอุเบกขาอันอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักะละถึง7เจริญอุเบกขาสัมโูชงที่สหรคตด้วยอุเบกขาอันอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักะหากเธอหวังว่า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 ก็มีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกููนั้นอยู่หากเธอหวังว่าเราเพิงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่หากเธอหวังว่าเราเพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้ว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 ถูกกรมราคะครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดทำเครื่องสลัดออกจากกรามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นบุคคลไม่รู้ไม่เห็นแม้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริงมนแม้ที่สาทยายมาเป็นเวลานา น, านก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่ไม่ได้สาทยายเลย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 มน์แม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมน์ที่ไม่ได้สาธยายเลยฉันนั้นเหมือนกัน 3. ส, สมัยใดบุคคลมีจิตถูกถีนามิทะกลุ่มรุมถูกถีนามิทะครอบเมืออยู่และไม่รู้ชัดธรรมเครื่องสลัดออกจากถีนามิทะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นบุคคลไม่รู้ไม่เห็นแม้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น